ที่ไดม า, ป า, ามเป็ูอาจรสนหมู่เพื่นี้ผมก็เป็นแรงตอนที่กิตยังไม่ได้เรื่องใหญ่านั้นมันเป็นแต่ท่านที่กิตเราเข้าท่านเรารงางแบั้นมันติดหน้าที่มันขอยเมื่อไหร่เอาไปได้สอสาวันมันก็หมายเรวจึงทราบว่าเรอ๋อนี่มันกาจับพูเขาทองวากนอยู่พรูบาทางนี้จิตมัน ก, ก็คึ้มเิน พ่อเปท่านเหมือันไม่ได้เรื่องัองเราทางวิเคราะก็เดินเป็เฉยไม่มีอุบายนายที่เจิดที่เดดก็จะตัวเดียวปุ้งไทยใจร้นแรงขึ้นทุกวันแรงขึ้นทุกเวลาหาไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเรากอรู้แล้วนี่นี้ก็กูวาจามาได้เป็นแบบนี้ปุ๊บกลับขึ้นไทยางเดชานะผมกลับมาทำมเ้นท่านเคยทำมือีเดียวท่านไม่เคยลับสายเลยขับได้เส่งนี่ก็แล้วก็ไปพ่อหน้าธรรมดานั้น คิด่ประมาณเดินนั้นเดิ น, นี่เพื่อกลับมาเนี่ยมันไม่ถึงเดินนั้นเดิ น, นีนะ่มันเป็นที่ก่อนนจะต้องรีบกลับมานี่จะเอาเรื่องที่เคยถาน ม, มาแล้วนี่แหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะว่าจิตใจเหมือนอนกันเรื่องของกิเลสเราจะไม่เดินนอกลู่ น, นอกทางของกิเลสไปจะต้องไปตามทางของกิเลสโดยตรงใครวายทันก็ได้ไอ้วันไม่ทันก็จมไปเดินมัน อาจารย์ยังมีกันเตห์อันนี้ตัวนี้สร้างรสาตนี้อันเป็นว่าเพิ่งเรียนังไม่ได้ตอสายกวาอาจารย์ที่เพิ่งห้าภาษาเองเขาพูดไว้พอประมาณถ้าว่ายังเป็นไปไม่ได้ก็สี่ภาษาที่ดูด้วยหกสี่ภาษายังต้องมาขอนิสัยจากผู้มีสี่ภาษาจมีหลักจิตหลักใจหลักธรรมนามเนี่มันเป็ย่งบอกไว้แล้วหนซึงไม่สาคัญกับภาษา น้ำพันดีแบบความทรงตัวได้หรือไม่ได้น้ำพันตรงนี้มเชื่อไม่ง่ายเนี่ยเด็กเราเคยเชื่อมานานแล้วได้ผลอะไรความเชื่อนีอออ้ทีนี้ตั้งใจจะมาเชื่อทำการเชื่อทำต้องฝูนต้องยึดหลัง ถึงจะจัดว่าเชื่อทำปฏิบัติตามาทำไถ้ายังไม่ฝืนจิเด็กก็เรียกว่าเราเชื่อจิเล็กยอมจะนนต่จิเด็ก่นไปอั้ที่ว่าเราปฏิบัติทำนั่นเลยตอนเด็กมันตั้งหลักไม่ได้มันต้องเปลนแนะ้วตั้งหลักได้แล้วมันมีความจเป็นดยลดับเกี่ยวครูบาอาจารย์มันไม่ใช่หรอ ตั้งมาลแล้วจะไม่มีความันเป็นม <vaya> mm ันจาเป็นจําเป็นทลางขั้นของจิตอีกและเนี่ยภูมิหงาผมไม่หนี้จากขั้นไม่ได้กัเป็นมาแล้วในขั้นนี้พอตั้งตัวได้จิตมีความสงบเป็นสมาธิเป็นหลับเป็นเจนในจิตใจไม่วุ่นวายกับผูกภายนอกแต่จะาเราจะก้าวหน้าสิทำไงอุบายวิธีต่างๆที่นานมันไม่ถ้อยใยความมันต้องมาอาศัยตั้งอหรือมันคือการขึ้น พิจารณทหน้าปัญญามันติดขัดอะไรต่ออะไรอุบาทยาของที่จะแก้ความติดขัดซึ่งเป็นเรื่องทิ่งหญ่นั่นน่ะมันไม่ทันไม่ไม่พอมันก็แก้ไม่ได้เมื่อรามาลัาถวท่านท่านใส่ปุ๊บเดียวท่านแตกกระจายเลยนนน่ะนี่จ่งหดูแลพอท่านแน่มันก็เห็นคุณค่าเลยมันจดจเป็นไปนเรื่อยๆอย่างคือผมว่าอย่างคมันรวมตัวอยู่ในจิดวงเดียวทั้งแปดเดือน นี่ถ้าเราตู้เราเขา้ามาเข้าใจยังอยู่แล้วผมว่ามันจะไม่นานขนาดนั้นนะนู่นมันจะทาพลาตั้งแต่ขนาดจิต่ันปรากฏอยูท่วดดอยตอนเดินสามเมร์พอถวายเพลนท่านเดินแล้วขึ้นวัดดอยแล้วภาวน า, นนานนตอนนั้นจิตของเรามันสว่างสวยกายงว่างนะมันอาสิจันตัวเองไม่มีใครอาจันทั้งอยู่ของอาจิจันบ้าตัวเองก่อน มันจะอาจารย์ทำอาจรรย์บ้าวามหลงโอ้จิต ห, หังอาจารย์ตัวเอ ง, องเดินคงแม่จิดหงังต่สว่างสวัยเอานักหนานัน่งกายมองดูนี่มันเห็นพราะเป็นลงังๆเป็นเงาเงาของรุ่นมันทลุหมดเยมันสว่างไปหมดก็อาจารย์นี่ระเดี่ยวอาจารย์บ้าโอ้หิหังไอสว่างสวยนักหนาน า้วันนั้นเป็นวันที่จะฉันอุทานระยะนั้นผมไม่ได้อุดอหานมากนะพราะท้องผมไม่ดีมาแล้วเดี๋ยวอดเปงนสามวันนี้มาฉันมันก็ถ่ายแล้วนั่นก็รูมว่าอดนั่นก็อดสามวันทีละสามวันสามวันฉนทีละทีภษาจีนหกเล้วเพราะเราจะบุกสมบัตมาตั้งแต่เริ่มได้ออกปฏิบัติเรื่องอาาุทานเป็นมาตั้งแต่ เราเรียกของปฏบัตินะสำหรับผมเสัยมันถูกาการบูชาไม่มีใครนั่นแหละม น, นัเป็นนมนมตนั้ น, ม น, น, นไม่ได้ยินะบายวันท์มาวัไหนเขามาเส่บาทวันก้าอัสสัมบัติที่ว่ดดอยชาวบ้านเขามาใสีบาทวันเปิดโ อ, อบบาดกาเขามาใส่บาทที่วัดพระทุกวันขางนะวันนั่นก็เป็นก็ยินเป็นวันจเจรเญกุศแล้วก็ออก ให้ตั้งสว่างพราะได้ร้วันก็ออกจากุินี่ไปเดินทางด้านตเดินจทั่งถึงเวลาบินรบายเขาถึงเวลาไปบินรบาบนจะไปที่าสรานมลายลู่เราก็มีกาเดินไปเดินมามูวิระััน นี่คูอการนี่นมำไมถึงให้การรักษานี่ย่าเนี่ยแต่เพมาะแนอุจจาระนั่นแหละมันมันจะเป็นไปแต่ระยะนั่นหละมันจะขาดสะบันไปนี่ก็เพราะเราอุบายเรไม่ทันพราะเราปุจเราเรานึกอย่างนั้ น, ะะ น, น เ, อเอ น, น, อ, เเ อ, น, น, นอันหนึ่งถดขึ้นมาเลยไม่ขันไม่ฝันนะน มันพินาแล้วกอุบายก็ถูกต้องจิงแต่ปัญญาเรามันโง่ถ้าหามันไม่ได้มีปัญญาทานกับอุบายผู้บอกขึ้นมาพอลำพึงถึงเรื่องทวามรู้แจางแห่งจิตนพอพอตยุดลำพึงแล้งผดขึ้นมาเป็นคำๆอยางเดียไม่ลืมเนี่ยแต่นั่นไม่ลืมเนี่ยถ้ามีจิดมีต่ำแห่งปูรูุ้ด อ, อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบ ว, ว่า งงกันเหมือนไก่ตาแตกนะ่ะแทนที่ก็จุดในที่จุดสว่างสวัยนั้นไม่มีจุดอยู่นั่นน่ะนะนั่นลนะ่ะจุดต่อยางูรู้ก็มันก็อยู่ที่ภูรู้นั่นเองถ้ามีจุดมีต่ำอย่างูรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนะี่บอกทัทดเลยนะะแต่เราเลยงงไก่ตาแตกก็ได้นะต่อมที่ไหนไเหนี่ยเอาอีา๋จุดที่ไหนต่อที่ไหนก็เห็นอยู่แค่ท่าอยู่นั้นลนะ่ะดวงสว่าง อยู่ในิมันก็เป็นรวงสว่างจ้าอภายในในีอก็เหมือนกับตเกียงย่าพายุพูง่ายๆหลอดไฟใส้ตเกียงนันมันสว่างไส้ตะเียงนั่นออตัวส่เนี่ยคือตัวจุดนันก็เห็นอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นอย่างนั่นมัสาา น, นสว่างจ้ามัก็ไจุดแห่งความสว่างมันจะเห็นได้อย่างชัดแต่มันไม่กี้เข้ามาตรงนี้นี่นไไหนักมันเป็นรูปธรรมไปไหนเป็นอุบาย ขุดขมากนนันมันน่าจะยิ่ดันนะมเห็นด้ากลก็แบกอันนี้ไปเดียวไปกันบนพื้นบนถ้าบ่อในป่าในเขาทำาดักผาดอยขึ้นมาเรียกท่านคุณท่านไปด้วยเอ้ย ทำเป็นกันไปแล้วก็ไม่สะดวกเลยรางของวัชรีเรื่องนี้ทาเป็นไม่ส่ปัญหาเราโอ้ยบยเากลับไปแล้วเธอเป็นสบายแล้เธอยุ่งเพื่อเราคือเราันไม่สะดวกที่จะอยู่กับใครๆมีเวลาขนาดมีเรื่องดีจะพูดจะคุยอะไรน่มันขาดความเพียนขอเราเวลาเราคือท่านมันกระชังเพราะออกจากท่านไปมันดิบผึงผึง ต้องกลับมาอยู่มาวัดดอยก่อนเป็นเมษาว่าบวชวัดเจริญเมืเ่อพอบวชเจิญแล้วก็ขึ้นวัดดยอยนะจุดต่อมนี้มันถึงได้ไปเข้าใจกันที่ตรงนั้นปฏิวัติต่อมเป็นอะไรพวกนะกุฏิพอมันเข้าใจเนี้ยโอ้ยปฏิวัติต่อมต้องมีปัญหาอะไรเลยถ้าสมมุติมาเล่าถวายท่านตรงนี้ปั๊บพอแม่โคจรยังอยู่นะพอเล่า ถ, ถวายอย่างนี้เราลุ่มนี่ ท่านจะใส่ฐานมา ท, าทันทีเลยนะยิ่เราเข้าใจปุ๊บเดียวนั้นมันก็พังสลาดไปมันไม่เข้าใจปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้วนี่ถือ ว, ว่าความจะเป็นมันมีไปทุกระยะนานยิ่ไล่เอียเรอสูงไปตลาดเอียดรอไปมันถ้าจะพูดว่าเป็นเรื่องของโลกมันคลิกขึสูงนี่นะนี่ ถ้าจะมาสอนถึห้าได้หรอสมมติว่าเราล่าฟงตามความจริงจริงหรอกนี่ถ้าผูไม่เข้าใจงั้นขจะมาสอนเอาถึงห้าเนี้ยประกาศผูไม่เราเห็นนะผู้ขนาดนี้มาสอนเราได้หนับอกในตัวถ้าผู้สูงมาแล้พับทุกขี่แป้งไปเลยเราเข้าใจเลยทียอมยอมล่าเลยยริงเนี่มันจึงสำคัญกับผู้กับครูกับอาจารย์ู้้ง สงงรงเนรวมสองซอนหรือสางเอามพูดจะงรู้ไปแล้วท้าไม่ได้พูดมากเลยปั๊บเดียวเท่านันได้ความสามาสูขบข้อทั้งหนองทั้งบึงไม่ได้โยนยาตุดกันทั้งตูทั้งหินไม่ไ ด, ไได้เรื่องความจเป็นครูกับอาจารย์ัเป็นอยไม่ว่าขั้นไหนกันหน แต่มันมีามมันต่างๆกันที่เราจะออกไปอยู่ระยะคนหนึ่งคนเดียวเราก็ได้ตามระยะการของเรามีข้อเข้าใจอะไรเราก็เข้ามาได้คือมันไม่ยุ่งไม่วุ่นวายเกี่ยวเรื่องโลกเมื่อสิตมีหลักนะอย่าั้นก็มายุ่งเป็นแต่เรื่อความก้าวหน้าของเรามันช้าผิดกันปัญหาบางอย่างนี่แจ้งมีสองวัน คำวมันก็ไม่ตกนั่นที่มันจะตายไม่ตกมันก็ไม่ถอยนี่อมันจะตายเพราะคําว่าแพ้มันมีไม่ได้พวนี้อะถ้าถ้าว่าแพ้ให้ตายซนดีกว่าจะมาแค่เราจะต้อ ง, ต, องต้องทะลุนี่มันไม่ทะลุเจาะ อ, อยนี้นั่นหมุนมันติ้อยู่วอยนะอันนี้ครูว่าการย์พอเล่าทาปับ๊บท่านกระดี้ปั๊บเดียวเท่านั้นทะลุเลย ทะลุไปเลยผมเคยได้ทอุบายแต่ท่านมีแต่เส้นเป็นขาวสามารถแก้ได้ตลอดทั่ถึงทางน้าติดใจอย่างีท่านกัมาเอาเลือกับใครแล้วประการหนึ่งก็ไม่มีใครจะมีควาจริงจพอพระล่าท่านสั่งที่เจี็ดดุ่งกับเรื่องขี่มูราที่ไม้ให้เขาไอยู่ที่บรงนยา นั่นลองให้มีภูมิมีภูมิขีดูใจเป็นความรู้ความนต่างหน้าปฏิบัติต่าเล่าต่างัที่ไม่ต้องสงสัยว่าเสียงท่านจะไม่ขึ้นผืนฝังบังเพราะท่านอยู่กับธรรมแล้วนั้นถึงไม่ติดธรรม้างไปอยู่กับธรรมเป็นเครื่องดื้อหลงใน่างขันก็ติดที่คลองตัวอยู่นีมันเขึ้นฝืฝังปืังเลยอย่างไปปัญหาไปแย่น้งป่วผมไปขายทกท่ เราตอบแปบเ้าไปไป๊บก็ตอบถึงมาเลยเจ้าเพราะปัญหานี่ไปหากนอไรเดียวก็ไม่มีไม่คุยนี่แต่พู้ไม่รู้ตอบไม่ได้ระวังนีพอพอถามมันแ๊บท่านตอบถึงมาเลยทันทีโอยคึกคักตึงตังนะนี่มาตั้งห้านทีจบพอจบเข้าอีกต๊บอีกแ้๊เทรานี้ก็ตายใหญ่เลยทานว่ากลวสี่ห้นาที พอจบแล้วอากมัยหาค้านะามากนะผิดิดต้องเห็นก็ผิดตรงไหนค้านนะกับผมไม่ค้านกับผมหาอย่างนี้เลยแล้วในขณะเดียวกันก็ปัญหานี้ท่านก็ทราบไม่รู้เอามาถามไม่ได้เนี่ยเพราะท่านมคิไม่จําเป็นจะมาถามเราปัญหานี้ไม่รู้ก็ถามถามไม่ได้เอามาถามไม่ได้แล้วผู้นั้นไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เนี่ยเราทําให้เราเชื่ออะไร นหนังสือผมีอยู่ะก็อยู่ในธรรมบทนี่แหละว่าพักกัญญาณกัญญาณกัญญาณชนไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระสกิทธาคามีได้พระสกิทธาคามไม่สามารถจะตอบปัญหาของพรนาคามีได้พระนาคามีไม่สามารถจะตอบปัญหาพระราหันได้แม้พระรหัก็ไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระไตรปิฎกคณะได้พระไตรปโฎกคณะก็ไม่สามารถจะตอบปัญหาพระเจ้าได้คือความสามารถมันต่างกัน ถึงขัง้นอะระอะระหะก็พอแล้วส่วนที่ว่าถ้าสาทีบุกไม่พระโมคคัลลาไม่สามารถสอบมหาพุทธยอดหมายถึงว่าพื้นหมายถึงว่าความกว้างแคบลึกตื้นแห่งความรู้มันต่างกันนอกจากความบริสุทธิ์ไปแล้วยังมีความลึกตื้นต่างกันกว้างขวากว้างแคบต่างกันภูมิของพุทธาอเป็นอพุทธวิสัยภูมิษาของภาษาอุ๋มโคคัลลเป็น สาวกันนี้นิสนยนิสัมันต่กัสามันนิสัยอระยนิสัยผิดกันไปผิดกันนี่ก็คือมีเคร็ดแต่เด่นพวกเนี้ยเงี้ยก่อนเราก็ไม่รู้มันคนใจมีเครดถามเคลดอย่าปั้ติดก็ดังพระอะไรพวกทรงประกายไดุบทั้งตัวกาย เียนตัวพระกายปดกแต่ลืมเมื่อลืมตัวด้วย น, นี่จะดูถูก ย, ยาแยมพระกรรมฐานหาว่านั่งเราหูรับตาอะรานี้ทำประโุชน์แล้โยกอะไรอะไรต่อาะไรจะเอาปัญหานี่มาถามจะมาถามปัญาหาหาวันไล่พระกรรมฐานพูดห น, นึ่งไงนะพวกสงพระกายปีดปเพราะที่ย่อทรงทราบก็เด็ดมาเลยผเจ้านอมาในทํากลางสูง เปน็นพลังเสน่ห์บ่กับพวกนั้นพวกนี้มันมาทาลายลูกศิลเราด้วาโคตรแล้วมันจะไปะตกนรกกันทั้งหมดไม่ได้ว่าลูกศิลราคือพรกรรมฐ า, าแนแั้วนันท่านจะเสียไม่ได้ว่าพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมมาถึงพระองทรงตั้งปัญหาขึ้นบางทีตั้งปัหาเป็นปั๊บถามพวกนารนปร่าวนี่ ตอบไม่ได้หันปุ๊บแล้วสัถามถากรรมฐานตอบได้ถึงเลยยกปัญหาปุ๊บถามมันปั๊บนะท่านนี่เหมือนคนตาเแล้ตอบไม่ได้วกกลับมาถามต่ากมานนั่นตอบได้ปุ๊บป๊บตลอดต่นนั้นทูตเรียกบแบบแสดงทำเอาตัอย่างเดวขนาดเลยงงนะคุณในงานน่ ท่หนาวอย่างเต็มที่พวกเธอนั้นอ่ะมันเหมือนกันกันกบลูกจ้างเลี้ยงโคให้เขาได้ค่าจ้างียงเป็นรายวันรายวันเทา่านั้นไม่เหมือนลูกของเราหมายถึงพระนะซึ่งเป็นเหมือนเจ้าของโคโคก็เป็นสมบัติของตัวน้วํานมโคก็ได้ดึงเป็นเม็ดเป็น ตามความต้องการคือพูดถึงเรื si as as so, ่องธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นธรรมสมบัติปุรยง่ายมีมหาสมบัติคือธรรมเป็นสมบัติอันนี้มีจะเกิดจำไม่วยปุรนง่ายวะเปงนตะเทียนมีในก่อนมีอุตลาว่าปล่อยรักไปพูดนะไม่รังเกียจกุญแจมืนเป็น คนนี้นุมไม่ไปากว่าพนั้นผมดืนมไแล้ ว, ไ ม, มวมไม่ต่ผนม่นันดืมะมีปัญหาที่เจ้าต้องรับสางถาเลยมันปัญหาทางด้นาะะนจิถามโมกเรืรอระะ่องเรื่องโทราถามยัไงตอบได้ผงผงผงไหนมีปัญหาที่อย่างเรา ถามหล ง, งปู่ใหญ่หนุนนั้นภาษาปิปักษ์ทนไม่รู้ทนจะตอบได้เพราะเราจะคุยง่ายๆก็จะว่าไปอ่านเข้ใจกันมาเองแล้วไปหลายหนวแน้วท่ามาทุกทีเพราะคน ม, มันมากไม่มีเวลาอื่นถามกันคราวนี้ยังไงก็ตามถึงวางัันเด็แต่ต้องให้ได้คราวนี้ตั้ง เ, เป็นที่เวลาเพราะเห็นั้นพอไปถึงนั้ที่เอียกา ม, มา ถามี่เรื่องตามรับฝันก็คาดออกแหลกรันแล้วร้านนี้กำลังฝันนอนต้อนการเข้ามาอยก็ได้แล้วก็บอกว่าเราจะเข้าอด่ายนี้แหละถ้าท่านสะดวกแล้วให้เปิดลรอประตูเปิประตูให้เราคือคุณเจอล็อกไว้ปมจะให้เราแล้วให้ปิดันตีใหย่ให้ใครเข้าไปใครเราใครพม่าพมืองชนก็ไปคันนู้นแต่นั้นท่ไหนก็ไหนมักงถ้าเราไปกัน ลุมตามัไม่ต้องมาเวลานี้ยังไม่ใช่โอกาสของท่านหลายแม้เป็เจ็คนของเราเองก็เต็มนมาด้วยไม่ได้เราจะไปที่ลักเรากับท่านดยเฉพาะวังแ่าขาพากลตัวเร า, า ต, ตัอตงเราเข้าเราล็อกนั่เราเข้าประตูเปถามได้ว่าใครอยู่กับท่านชื่อว่าอย่างนั้นเราไปเข้าเปเรียกที่อยู่นั้นนั่งมาเปิดประตูให้เราเข้าเลย่ยใ น, ใ น, น, น, น้เป็นนิสัยมาแล้ว่า ปัญหายากท่าตอบประมาณห้าทีปัญห า, 2, 4, าที่สองนี่ฟาดแคสี่ห้าโอ้ยผึง้งเลยนะท่านนั่นมันมีใครจะทําความรื้อเรองให้ท่านท่านตอบด้วยความรื้อเ่งตอบด้วยพลังของจิตจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งพอจบนะอ้าวผิดตรงไหนท่าหาค้านมาขนาดนาี้ไม่คาม้านเขาก็มายอย่างนี้ท่านก็ไม่ถามเราเลยไงต่อี้เราถึงท่านถามว่าท่านอาจารย์นีไ่ไปเคยคุยทำไม ถ้าจั ง, do oh ง, งนั่นแหละไปคุยไปมถ้าจังนั้นหละไปคุยไมาเนี่ยมีอกันตำอที่เป็นถึงได้แล้วเป็นเหตุที่างถางเนาะท่าวกยาจะท้าบเรื่องอันนี้องค์สีส้แดงองค์ปูวาจางยเปนกาพูดงนี้การเทศนนเกิดคือเราการเทศน์ก็คืรอย่างนี้ครท่านเทศน์เกิดและกาเทศน์เกิดนะ ไปท่านพูดเป็นลักษณะเราก็รู้ลักษณะนพูดเป็นเพ้าใหญ่พูดเรื่องเพา่ปนเค่้พูดพพพไม่ด ไ, ไม่พูดอะไรเดูเราทำหไม่พูดอะไรเไม่ห น, น เราตืน่นฟังดูหรอตอนนี้เราเข้าใจอยากให้หมูเพื่อปฏิบั ต, บติแล้วมรู้กันในะิตใจแล้วมเล่าให้ฟังผลเปไน็นยางไงน่กจากรู้ผลในกะารอารมบาส่วนหเพื่อนและการปฏิบัติขอเพื่อนแล้วโยมีแต่ภาพเหลือไม่เต่ รูปพระทีถือไม่มีอมันมีธรมภายในหัวใจนั้เป็นตัวเหม็นตัวพอกออกโชว์กันบ้นบนนนนนนงางจริงหจมัต้องรู้ไม่ต้องสงสัยเราไม่ทุกวันไม่ผมพูดจริงนะผมไม่เคยเห็นไ ป, ไปหนักกับเนี่ ย, ยอดีตนานาคตอะไรอยเช่นข้างบริการา น, นั้นเป็นอย่างนี้ั้างนี้เป็นอย่างนี้ไม่มัติมาปฏิวัตานี่คงเส้นคงวา พิเรศจะเป็นตัวโครงส้างของวาคือกิเรศดูดีมัที่ม า, ามปฏิวัติเป็นเครื่องปราบที่ทุกประเภทศดูดีเราเราเอาตรงนี้เลยเราเชื่อตรงนี้เชื่อจริงน้ อ, งนอยกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องครั้งนั้นครั้งนี้จึงไม่มีปัญหาขอให้มีความเพียรเถิดพิเรสจะต้องพังทลานในสงสัยไม่ว่าครั้งไหนะถ้ามีเกจพิเรศตัวไหนที่มันแตรเปลี่ามาจากขรัง้งพุทธกาลจะมาเป็นตัวใหม่เพราะที่จะแก้ดก้วมัจมาปฏิวัติไม่ได้ เนี่ยเราเชื่อตรงนี้ต้องกระจ่างขึ้นไปธรรมยาเี่ยจะอธิบายหนพือนฟังได้พอพอจะพร้อมมีที่จะอธิบายบ้างไหมมีข้อขยัคเออเอาเอาบ้างบ้างก